ب ิ سم الله الرحمن ا ل ر ح م الحمد لله ن م د ه و ن س ت ي ع و ذ ا ل ل ه من ش و م ن ا ت ع م ل ن ا ه ل ا وما ي ُ ه ُ ف ل ا ه ذ ِ ه َ ا م ع ْ ض ك م ْ ا ل ل َ و َ ا ل ل ا ن م า u ครับแล้วก็กลับมาพูดยกันอีกครั้งนึงนะครับ ทำการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวคำพูดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกก็คือคำพิอัคราซึ่งในตอนนี้เราก็จะมาคุยกันในสุราอันนัสในสุราแล้วครับจบไปแล้วใช่มครับจบไปแล้วก็คือตอนนี้ก็จะมาขึ้นสุราที่หนึ่งร้อยเก้าหนรอยเก้สุราอัท่านเลยมีเอกสารอยู่หน้าประมาณเท่าไหร่นะครับที่อยู่หน้าที่ เอบใช่ไหมครับครับผมสราเดี๋ยวเ่การอ่านรานี้ยกครับผมช้าๆนะครับผมอูดุบิลฮิลลัชัยกอนิอูร์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 ประานลงมาจากบรรดาสุรัตต่างๆของคัมภีร์อัลกุรอานคืออัลกุรอานทั้งหมดอย่างที่วเราทราบก็คือมีทั้งหมด114สุรัตสุรัตนี้เป็นสุรสุดท้ายที่ว่าอัลลอ์ประหานมาให้กับท่านลเบียรมฮัมมัดสุลตานแบบเต็มๆแบบเป็นสุรัตเต็มๆหมือุงสนามแบบั้คือถ้าเกิดว่าอายาสุดท้ายที่ถูกประทานในคัมภีร์ลกุรอานน่ะอันนั้นคืออายาที่ว่าวัตกูยะมันตุลจุลฟิละอลอฮ์ในสุรัตระกอบ แต่ถ้าสุรรัสุดท้ายสุรรัตสุดท้ายที่ว่าถูกประทานลงมาคือสุรรัตอันนัสสุรรัตนี้ซึ่งสุรรัตนี้มีความประเสริฐท่านอับดุลเบลล์อัลลอฮ์ทรงเล่าบอกไปว่าสุรรนี้ก็คูอสุรรัตอันนัสกับสุรรัตอีดะซึนซิลาดินอับบูซินเจรละฮะท่านน่จะท่องกันได้นะครับผมสองุรรันี้เทียบเท่าหนึ่งในสีของตุรอ่านคือสุรรัตอีดะชาอะนัสฟุลไลบัลฟัดนะครัสรรันี้ก็เทียบเท่าหนึ่งในสี่ของตุรอาน พูดเกี่ยวกับเรื่องผลสรุปทั้งหมดแล้วของชีวิตคนของโลกุญญาของอาเกโร่ก็คือทัศนบีว่าเป็นหนึ่งในสี่ขุระห์เช่นเดียวกันกับสุรัตน์อีเดซึนซิลาทิลอุซินซ่ละฮะก็เป็นสุรัตน์ที่พูดเกี่ยวกับจุดจบของโลกแล้วก็บทสรุปของชีวิตทั้งหลายเช่นเดียวกันซิ่งทับีบอสองสุรัตน์นี้แต่ละสุรัตน์เทียบเท่าหนในสีของกุระห์ก็แปลว่าในยุสมาเรามีสุรัตน์ที่ยี่ใหญ่อย่างน้อย3ามสุรัตน์แล้วซึ่งด้วยความไม่ตาของล้อก็คือเป็นนรสั้ๆ สำหรับท่านที่ว่าเพิ่งเริ่มศึกษากุระอัลลอฮ์ก็ให้ได้เจอโบนัสพิเศษเลยก็คือุระอคลาสุณฮุลวะฮัดรู้แลวาเท่าาหนึ่งในสามกุะก็คือสาหรับคนที่ไม่มีความสามารถอ่านุรเยอะอนคลาสก็ได้หงในาถ้าเกิดว่าใครมีความสามารถอ่านยาวหม่อนิดนึงก็คืออ่านอีลาซึซิตินอซิระก็จะได้อยึ่งในสีหรือถ้ามันยาวไปย่อลงมาหน่อยก็คือสุระนีอีดาชาอสบะฟัีอายะ จะมีวัสดุสลดแค่เท่าหใน4ของคัมพีอัลโรนันเรามาดูความหมายกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูความหมายดูอธิบายกันแต่ผมขอสอบถามก่อนครับส่วนใหญ่ได้อยู่ร่วมกันอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับสุรรัศลครับโอเคครับเพราะว่าความหมายของสุรรัศนี้มีความเกี่ยวข้องกับสุรรัศล์ที่อยู่ภายหลังแล้วก็เกี่ยวข้องกับอัลกามฟิล์นที่อยู่ก่อนหน้านี้คือสุบรรณรัศลในคัมพีอัลโรนันของพระองค์มีสิ่งที่เรียกว่าลสัสตาริฟ ลัต่อ if ก, ก็คือว่าเหมือนกับเป็นเหตุและเหตน้อยหรือว่าเป็นความสวยงามความงงามที่ว่ามันสั้เด็กก็ไที่พระองค์ลอดให้มีเด็กก็ไเรามาดูความหมายทีละอายะทีละอายะเรามาค่อยดูแบบอธิบายทีมังเช้าพระองค์บอกเลยครับ إذا جاء e ل ن ا e بالله والفتح إ ذ แปลว่าเมื่อเมื่อ ج ا แปลว่าได้มา ได้มาแล้วแแปลว่ามาแล้วมาถึงแล้วอชะนัสรนุนสรุนแปลว่าความช่วยเหลือนสรุณลอฮความช่วยเหลือของอัลลอ์แปลรวมครับอชะนสรุลอฮก็คือเมื่อความช่วยเหลือของอัลล์ได้มาถึงแล้วแปลว่าก่อนหน้านี้ไม่มีหรอไม่มาหรอแปลว่าก่อนนี้นเไ า, เ ไ, านนนนไม่ช่วยเลยอัลลอ์ <Allah S 2> ช่วยแต่ยังไม่ใช่การช่วยเหลือที่มุสลิมรอ เหมือนกับวลาเรามีปัญหาชีวิตใช่ไหมครับเหมือนกับว่าบางท่านตอนนี้จมีปัญหาจะมีเรื่องหนี้สินจะมีเรื่องโรคภยัยเรื่องลูกหลานเรื่องอะไรก็ตามแต่เอาล่ะให้ความชื่อเหลืออื่นๆมากมายแต่ใจเรายังเครียดกับเรื่องที่เราเครียดอยู่ใช่ไหครับจนกว่าเรื่องนั้นจะมาเราถึง จ, จะรู้สึกปลอดภัยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันอีดีชานส์ฟัชไม่ใช่ว่าความช่วยเหลือของเราไม่เคมาถึงีมากไมแต่ว่าตอนเนี้ยความช่วยเหลือที่มุสลิมคาดหลังที่เราคอยมาแล้ววัลฟัช พเพืล้บอกรูปแบบของการช่วยเหลือหนึ่งในการช่วยเหลือที่มงซิมรอคอยคือการพิชิตฟพิชิตอะไรครับพิชิตมักกะพิชิตมักกะเพราะมักกะเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาอิสลามใช่ไหมครับพเพราะท่านมุสโสิสตามถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีแล้วก็ไปรอซูลแต่ที้ท่านอยู่ที่นครมักกะแล้วท่านก็ถูกขับออกไปจากนครมักกะไปยังนครเมืองไหน ก็แปลว่านักมุญมาการนั้นก็ถูกปกครองโดยกับบรรดาพวกบริสุทธิ์พระเจ้าเมื่อความชิดเดือขอร้องที่มุสลิมมาถึงก็คือมีคนทัางอิสลามอย่างมากมายแล้วมุสิิงก็สามารถไปชิด ม, มา ก, การได้มันเกี่ยวข้องอะไรเดี๋ยวค่อยพูดกันตอนนี้ดูแค่ความหมายก่ออายาแรกครับอว่าแปลว่าอะไรในภาษาละตินเดทีด่เราเจอว่ามักจะแปลว่าอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมีความหมายไม่ต่ำ ก, กว่า5ความา แต่ปกติแปลว่าอะไรกว่าวเราอินเตอร์เสเราอิตาเจ้าได้เห็นแล้วเจ้าได้เห็นแล้วว่าเราอินตเนสเจ้าได้เห็นผู้คนมากมายอินเตอนสคือผู้คนทั้งหลายยเดคูลูนะที่เขากำลังเข้ามายเดคูลูกํกำลังเข้าเข้าที่ไหนครับฟีในดีนี่ดีนูนคือศาสนาปีดีนี่แหละ เข้ามาในศาสนาของเราเจ้าได้เห็นแล้วว่าผู้คนเนี่ยกาลังต่งพากันเข้ามาในศาสนาของเราอัฟวอรชา์เข้ามาแบบเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเข้ามาแบบเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มคือไม่ใช่เข้ามาทีละคน2คนช่วงแรก อ, อิสลามนี่คือเข้ารับอสามทีละคนสองคนแต่ในช่วงหลังนี่คือบางทีเข้ารับเป็นเผาเลยเข้ามาทีละตระกูลเลยเข้ามาบางทีเป็นร้อยคนบางทีหน้าคน เจ้าได้เห็นแล้วว่าผู้คนได้มาเข้ารับอิสลามเข้ารับศาสนาของเราอย่างเป็นอดุๆดังนั้นท่าทำอะไรล่ะครับเมื่อเห็นแล้วความฝันสูงสุดบรรลุแล้วสาหรับมุสลิมเาสองให้ทำไงครับฟัสบฮัมดบกสวสตัรฟัสบบก็คือจงสันดีจงสัดีจงให้ความบริสุทธิ์ ฟัสซับิบบีฮัมดีรอฟิกะเจ้าซดีด้วยกับการสรละเสริญฟัสับบิบบฮัมดีรอฟกด้วยกับการเสรละเสริญต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าก็แปลว่าเมื่อมุสลิมเราได้รับสิ่งที่หมายมันต่างมีความสุขสูงสุดครามบาตาสูงสุดอัลลอฮ์ประสริฐให้เราสราดีต่อพระองค์ด้วยกับการกล่าวอัลฮัมดินละแลก็สุบฮานลก็คือสุบฮานลวะบฮัมดีุบฮานลวะบ ส, ละละสละละอังดข้อทดวหนก้พระ a งค์พระบหพรัพ บ, บิบิฮัมดอรับบิกะวัสดุวิบลังจากที่ว่าสันติต่อรอแล้วนะขอบคุณต่อรอแล้วนะหลังจากนั้นก็จงขออภัยโทษต่ออยมีประเด็นน่าสนใจทำไมเริ่มด้วยกับสันนะสรเสิน ะ, ละนะแล้วก็ถึงาขออ และกนอายะสุดท้ายครับพระองค์เราใช้คาว่าอินนหูแกนะตาว่าบอายะนี้ก็มีประเด็นที่เราต้องคุยกันเพราะเราบอกว่าอ mm ินนหูแน mm ่นอนที่พระองค์นั้นแก่น mm hmm. ่เป็นผู้ที่ตาว่าบรับการกลับเนื้อกลับตัวอย่างที่เคยพูดไว้นะครับ mm hmm. สัพเี่ยวกับการขอไปโทษมีสําคำอิสต mm ิกฟารการขอไปโทษ เตบาบ้าขอกลับเนะี่กับตัวสองคำนี้ไม่เหมือนกันคือขออภัยโทษแดีวเราขออภัยโทษในสิ่งที่เราไม่แน่ใจว่าเราจะกลับไปทํำอีกหรือเปล่าหรือเราอาจจะกลับไปทําะไรอีกก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้คาษษําวิสิทธิ์ฟาสเราใช้ในสิ่งที่เราไม่แน่ใจว่าเราจะทิ้งมันได้หลายเปอแต่ถ้าสิ่งไหนที่เราตั้งใจตัวเด็ดนี่ขาดว่าเราจะทิ้งอย่างแน่นอนและเราจะไม่กลับไปทํำอีกเราจะใช้คําว่าขอเตาบ้าอันนี้ค่อนางน่าสนใจพวกเราจะใช้คําว่าจงขออภัยโทษ แล้วพวกเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นผู้รับการอภัยโแต่พวกเราใช้คาว่าจงขออภัยโทษอัลลอ์นั้นเป็นผู้รับการกลับตัวทาไมใช้ศัพท์แตกต่างกันเดี๋ยวทีลเาครั้งนี้เราจะมาพูดคุยกันในจุดประเด็์ความหมายชตเนะครับสี่อายะนะครับอัสัลและซักลคือฉันขออภัยโทษต่อวะฉันขออภัยโทษต่อวะถ้าเกิดว่าอัสซัคละวาตูบุยไลฉันขออภัยต่อะแล้วฉันก็ขอกลับตัวสู่ กับตัวนี้คือทิ้งหมดเลยนริงแล้แต่สักุูดว่อาจจะทิ้งไม่ได้อย่างเช่นบางครั้งเวลาเราเมามอยกับเพื่อนเนี่ยแต่เรารู้บางทีเมามอยแล้วเผลอหลุอะไรไปมากก็ไม่รู้ที่ว่าทําำอะไรละไม่ขอกระชัยเราก็อัศซักรู้ละอัลลอฮฺยกโ่ษให้ฉันด้วยแต่ฉันคิดว่าเดี๋ยวฉันก็คงเผลอทํำอีกก็อัศซักรู้ละบ่อยๆถ้าเราบีก็บ่อยๆขอไม่ก็บ่อยๆเจ็ดสิบครั้งก็คือบ่อย แต่เ่าาไหร่ก็ตามเราคิดว่าแต้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะปิดปากแบบเงียบปากสุดๆจะไม่พูดผิดอีกเลยเก็อลัลลอฉันขอเตาบ้านแล้วฉันผิดไปแล้วที่ป่านมาแถ้าคิดว่าถ้าคิดว่ายังไปถึงตรงนั้นมะได้เตี้ก็อัสซักดุลอะครับอัซสักดูลาไปก่อนอัลลอฮฺไม่ตาอัลลอม่ต่เรามประเด็นของสุลนี้แลครับเรียนคำพูดนียากนะครับเรียนพูดนียาก อย่ที่เราคุยกันครั้งที่แล้วคือเราบอกว่าเป็นมาลัท่านบิวส์สตันบับเป็นมาลัษกูจะใช้ก็คือเป็นตัวที่ตัดสินความดีทุกสิ่งทุกอย่างก็คือคำพูดของเราสำหรับถ้าพูดเพียนไปทุกความดีงามที่ผ่านมาสูงอ่ะปในนี้เราไม่คุยเราคุยเรื่องสรุรา น, นัสส์นะในสรุรานี้ครับพวกเราได้ประทานมาในช่วงฮัชพัชตุรวดาก็คือในช่วงฮัชตบลาช่วงพัชตบลาพอพวกเราประทานสุรานี้มาซาบาห์หลายท่านที่ได้ยินแล้วมีความสุข มีความสุขแต่ว่าในแง่เดียวกันท่านอับดุลโมฮััสุลัมเมื่อได้ยินปุ๊บท่านไม่ได้ว่ามีความสุขอย่างเดียวแต่ท่านกับรู้สึกว่าท่านต้องรีบทำให้มากขึ้นเพราะอะไรครับข้ามไปก่อนขอข้ามจึงนี้ไปก่อนหลังจากที่ว่าท่านอุมัรนะโยบอออมลได้เป็นผู้ปกครองก็คือหลังจากท่านยุสซามเสียชีวิต ท่านอูบักเป็นผู้ปกครองใช่ไหมครับหลังจากท่านอูบักเสียชีวิตท่านอุมักเป็นผู้ปกครอง iment. ต่อตอนท่านอูบักเป็นผู้ปกครองเนี่ยมีหลายครั้งที่ว่าท่านจะเรียกคนมาประชุมแล้วท่านจะเรียกแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่บรรดาซอร์บะอาวุโสที่ท่านเรียกมาก็คือซอร์บาที่เคยผ่านสงครามบรดาสงครามบรดาก็คือสงครามครั้งแรกใน อ, อิสลามแปลว่าใครก็ตามที่เคยเร่วมสงครามบรรดาจะเป็นซอร์บะอาวุโส เพราะว่าอยู่จุดแรกของอิสลามเลยซึ่งก็มีแต่ผู้อาวุโสเท่นั้นก็คือส่วนใหญ่ 4, 50, 50, อายุสี่สห้าิขึ้นตอนที่ท่านรเรียบรารวม ก, ก, กันเพื่อเพื่อมาปรึกษารอ้วพูดคุยเนะี่ยท่านพาท่านอิบเนอาปัสเข้ามานั่งฝังด้วยอิบเอาปาสัสซึ่งเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งอายุประมาณยีสประมาณยีิกว่ามานั่นร่วมกับผู้อาวุโสรึกษาหารีในเรื่องใหญ่เวลาผู้อาวุโสเห็นปุ๊บก็ตะกิตตะหงุดใจหนึ่ง ทำไมถึงเอาเด็กหนุ่มเข้ามาด้วยอันนี้คือเรื่องผู้ใหญ่จะคุยกันอะไรประมาณนี้ครับท่านอูมัตก็เลยบอกว่าคุณก็รู้ว่าเขาคือใครเพราะอินร์บาสคือคนที่ตาลซูนไว้ใจในเรื่องของการอธิบายตัวอ่านคือถือว่าเป็นหนึ่งในซอบาที่เข้าใจกัวอ่านเล่มหึ่งที่สุดแล้วท่านอูมัตก็เลยถามตั้งคาถามซอบาบอกว่าในสุรที่ว่าอิดะชะอัลลอฮุัลฟั์ะตันนายะฮุูนฟีลลาฟั์ ฟะซับบิบบิฮัมดุรับบิคอวัสเตอร์อินนูการะตะวามะสุรานี้เมื่อพวกท่านได้กินแล้วพวกท่านรู้สึกอย่างไรบ้างถามซาบะอาวุโสทีนั่งอยู่ไม่ถ่ายทักเมอปัสไหถามมาดาซอบาซาบะเหล่านั้นเมื่อท่านได้ยินก็บอกว่าบางส่วนนะครับก็ตอบว่าพวกเราลอสสั่งใช้เราว่าเมื่อไรก็ตามที่เราได้รับสิ่งที่ดีงานเมื่อไหรก็ตามที่ว่าเอาลอสให้ความสําเร็จเกิดขึ้น ให้เราสรุปีและขอบคุณเราท่านสวัสตอบถูกไหมครับนี่คือประมหมาที่ชัดเจนแต่ถ้าดูมากถามท่านดิโนอาบัสถามว่าแล้วคุณหล่ะเมื่อคุณอ่านซูร้อนี้แล้วคุณรู้สึกยังไงถ้านดอาบัส บ, บ, บอกว่าซูร้อนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าเราซูร้อนสละร้องอะไรเสล็มทํางานเสร็จแล้วแล้วหมายความว่าท่านกําลังจะใกล้เสียชีวิตแล้ว ทู่ไหมวบาสเข้าใจความหมายที่อยู่ลึกลงไปถูกไหมครับเพราะเป้าหมายของท่านอบดุียร์ที่เอาล็อแ ต, ต่งตั้งมาก็คือเพื่อ ก, การเผยแพร่ศาสนาตอนนี้คือเสร็จหน้าที่ของท่านอบีแล้วเห็นก็คือคนรอบอิสลามแล้วไปชิด ม, มั ก, กาะในแล้วหมดหน้าที่แล้วก็แปลว่ามันแสดงเห็นว่าใกล้เวลาเสียชีวิตของท่านแล้วพอท่านอับดสตอบอย่างนี้ปรจาสรับที่อยู่ด้วยพอได้ยินปุ๊ ก, ก็เข้าใจก็อยอมรับแล้วว่าจริงอับดุลสสมควรที่สุดแล้วที่ที่ได้อยู่ ในการประชุมเพราะเป็นคนที่รู้จักว่าเขา้าใจในเรืึองสุนัขที่สุดพี่น้องที่รักนี่ครับตอนที่สุรานี้ถูกประทานมาความช่วยเหลือกับการพิชิตมุสลิมเราได้รับการเรียนรู้อะไรบ้างพวกเราได้รับการเรียนรู้อะไรบ้างเมื่อกี้ผมบอกใช่ไหมครับว่าสุรานี้มีความเกี่ยวพันกับสุร่าที่อยู่ก่อนหน้านี้กับสุร่าที่อยู่หลังจากนี้ อะไรคือสุลที่อยู่ก่อนหน้าอิดาชานัชโนร์รัตครับอัลกาฟิรุนยยขุยยะอิฮันกาฟิรุนสุลต์อัลกาฟิรุนอัลลอฮ์สั่งใช้อะไรครับพออาัลาสั่งใช้ให้ท่านนบีลล ม, นนมุสลิมรอฮิอิสลามแล้วก็ผู้สักการะจงยืนหยัดในการเป็นมุสลิมเดี๋ยวเราเรียนกันอีกทีหนึ่งเรายังไม่ถึงนะครับผมแต่ยันสุดท้ายก็คืออัลลอฮ์บอกว่าเมื่อถึงที่สุดแล้ว จุดยืนของมุสลิมให้เราประกาศไปเลยว่าศาสนาของพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่านนะสำหรับฉันนั้นฉันก็จะขอยึดศาสนาของฉันจนวันตายฉันแล้วนี่คือสิ่งที่ท่านนบี ม, สรร ม, มุสรรมลิมอัลลอฮฺอิสลัมได้บัญชาสัฮาบะฮฺทำคือเราคิดดูว่าตอนเ ร, า อ, ร า, อาอ่ า, อาน surah idah idah channel surah a l f a t i นะครับเราอาจจะไม่รู้สึกไอะไรแม้คือเราอาจจะไม่รู้สึกตื่นตั น, นุนไหมครับ เมื่อการช่วยเหลือขอเมื่อการช่วเหลือขอร้องมาถึงและการพิชิตของลองมาถึงพรานอิสลามนี้เราไม่คยรู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเรากลับไปดูความรู้สึกของบรรดาซาฮบะกับท่านอับดุลมุสล็องในสลัมคู่ที่ยืนหยัดคําพูดที่ว่าละบุดีระุเบื่ออย่ายินท่านอบีภายหลังจากที่ว่าทำการเผยแผ่ศาสนาอัลลอฮ์สั่งให้เผยแผ่ใช่ไหมท่านอบีไปเผยแผ่แต่แรกเผยแผ่แบบสั้นๆสามีมีคนครับอิสลามนะ้อยมาก หลังจากนั้นผ่านไปสาปีพ่อรัสสั่งท่านอบีว่าไปเผยแผ่ให้ทุกคนได้รับรู้เลยท่านอบีก็ไปเผยแผ่พอเผยแผ่ให้ทุกคนรับรู้เกิดอะไรขึ้นครับในเซลล์นะครับที่พวกเราเรียนไปแล้วต่อ ต, ต้ตาต้านเนี่ยรุนแรกใครคือคนแรกที่ต่อตา้านรูมนะครับรูมของท่านเองแล้วก็เป็นหัวหอกในการทำลายท่านอับดิวพระสุรัตน์สลัมเล็กบ า, าลานซ์นะอยู่ในกลุ่มอพร้อมกับภรรยา อยู่ในกลุ่มของคนที่แบบว่าทําร้ายบรรดาซอฮาบะคือใครก็ตามที่เป็นผู้สะทานยนงินกันแกล้งท่านบีวาสนาสลามบางครั้งพอจะเข้ามาต ว, วัดที่เฉยก็โดนเอาด้ามธนูทุบหน้าจนหน้าขาแตกแล้วก็โดนทําร้ายทุกรูปแบบซอฮาบะอย่างอาบยาเซตตูนยาเซตข่อยาเซตและตนูกันามะพ่อแม่ลูกโดนทราร์แมนยาแนบในขณะที่ว่าพ่อ เสียชีวิตแม่เป็นชยนิทคนแรกถูกไหมครับพ่อชี่ยนแม่ชี่ยนคนแรกพ่อเป็นชี่ยคนที่สองเสียชีวิตเชียแล้วลูกก็โดนทรมานอย่างหนักท่านบีร้านครโดนจับคอเสื้อผ้าเอาไปตากทะเลทรายที่ร้อนระอุแล้วก็เอาหิงที่หน้าไฟหิงเป็นวัตถุที่ร้อนยากร้อนยากใช้เวลานา น, านแต่ถ้าร้อนแล้วคายความร้อนยากมากเลยคือไม่รู้มีใครเคยกินไก่ยากเป็นหินหรือเปล่า เขาจะเาหินนะครับไปเอาเตาถ่านทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหลังจากนั้นก็เอามาเอาไก่ตั้งย่างหินจนสุกเป็นอย่างนี้ฮชื่อชื่อของทางารหลักไก่จหจมาหอมแก่เจ้าแต่ประเด็นก็คือว่าหินที่ร้อนจัดเนี่ยบรรดาพวู้คุเรชได้ทําหินให้ร้อนจัดแล้วเอาไปหน้าบนหน้าอกของท่นานดีแลนจนกระทั่งว่าถูกหลอมละลายห่างละลายจะดึชั้นใหมแล้วก็เป็นแถวเวกัวเอวย ซอบ้าโดนหนักสุดในตอนนั้นเพราะอะไรครับเพราะคาพูดที่ว่าละกุมดีหนุกุมเวเดียดินของท่านก็ศาสนาของท่านของเราก็ศาสนาของเราเราขอเลือกที่จะเชื่อมั่นในจุดยืนนี้เชื่อมั่นว่าเราเป็นพระเจ้าเพียองค์เดียวแล้วเราจะขออยู่ภายใต้คําสั่งใช้ของพระองค์แล้วเราพร้อมจะตายไปด้วยกับความสาัทย์แล้วก็โดนทำมาหลานครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งเมื่อท่านอับดุลโมสลองมาเลสลามได้เดินผ่านบรดาซอบ้าที่กำลังปุ๊บ เดินผ่านแมด่ดาซอบาที่ว่ากาลังผูกทรมานอย่างนักซอบาบานท่านก็ได้ถามท่านนาบีคือโดนหนักมาก<ง>เจอจินตนาการไม่ออกผมก็จินตนาการไม่ออก ว, นะว่าซอบาเหล่านั้นดนอะไรบ้างในการเป็นมุสลิมแต่เขาโดนหนักเจอท่านถามนาบีว่ายากรู้ว่าเมื่ อ, อไหร่อลัลลอฮจะช่วยชัด คือตอนนั้นมันตันไงครับมันมองไม่เห็นทางออกครับเหมือนกับชีวิตของเราหลายครั้งเวลามีปัญหาแล้วมองไม่เห็นทางออกซอบาบ้าเหล่านั้นเมื่อม า, มอมาอรับมาเข้ารอิสลามปุเมื่อเป็นมุสลิมบททดสอบนี่คือโดนหนะัก โ, โดนทรมานโดนทาําร้ายโดยเพรายิยยงาย่งซาบ้ายิ่งยากจนแค่ไหนยิ่งมีเกียรติน้อยแค่ไหนยิ่งเดนท่านมุสอาบครับโดนแม่ถอดถุง แล้วก็โดนบอยขอดจากว่าเป็นลูกคุณหนูลูกเศรษฐีก็โดนบีโจอทั้งว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตนี่คือผิวแห้งขุยเท้าหนาเติบตั้งๆที่ว่าเคยเป็นลูกหนูมาก่อนทั้งหมดนี่คือใต้ถานข้ามบีซาบาห์ผู้บางท่านที่ไปถามมารีว่าเมื่อไหร่น้อนจะช่วยท่นานมาีว่าสโลนอเลสันได้พูกเ ต, ตอือนสติซาบาห์เหล่านั้นซาบาห์ถูกเตือนสติเราก็ต้องถูกเตือนสติเราเดือดร้อนใช่ไหมแต่ไม่เข้าซาบาห์ ท่านอับดุลเลสติซาบะว่าเนี่ยครับท่านอับดุลเลสติซ า, าบะว่าคนก่อนหน้าของพวกเจ้าเขาถูกทรมานด้วยการเอาเลื่อยมาเลื่อยหัวตั้งแต่บนศีแสดค่อยๆเลื่อยๆๆๆจนผ่าครึ่งแต่เขาก็ไม่ทิ้งการเป็นมุสลิมการเป็ น, ปนบ่าวของพะเจ้าท่านอบดุลสติบะว่ขอสาบานต่ออัลล พ่อเราจะทำให้เรื่องราวนี้มันสมบูรณ์อย่างแน่นอนจะต้องทำมาตรการของมันใ้สมบูรณ์คืออิสลามนั้นจะต้องอยู่เหนือกว่าทุกสิ่งอ่งแต่ถ้าว่าพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่ใจอ่อจะพูดประโยคนี้ที่ว่าเจ้าเดียร์สาพูดเตือน ส, าาสติสหบัตมุสลิมเราควรจะต้องเตือนสติเราให้มาก เราเป็นถึงชนที่ใจร้อนคือเราอยากได้ยุบเลปุ๊บเราเจอปัญหาปุ๊บเราจะใจไม่นิ่งแล้วเรารู้สึกกังวนกังวานเราจะรู้สึกแย่ต้องมีแผทางออกยิ่งขอดูอาการเราไม่ช่วยเรายิ่งรู้สึกคิดไปร้อยแบางคนนี่คือว่าเราแค่มีสาระะแต่ถ้าเกิดเราคิดถึงสาและผ่านจุดนั้นมาผ่านการเผยแผ่จุดนั้นมาที่ว่าโดนทรมานอย่างหนักเป็นเวลาสิบสาปีเต็มที่ตนาบยศเ ร, ริ่มเรื่องการเผยแผ่ที่มากัน โดนทำร้ายโดนทรมานซูอมองไม่เห็นทางออกอครับว่าจะไปยังไงต่อเพราะมันโดนบีบห น, นักจถ้าว่าถึงช่วงที่ว่าทั้งผู้สิ์ทั้งหมดโดนต้อนไปล้อมอยู่ในหุบเขาที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตยอยู่เลยโดนล้อมเป็นเวลาเป็นปีแบบไม่มีอาหารห้ามไม่ให้ใครช่วยเด็ดขาดถึงข้าสา บ, บางท่านต้องกินพวกเศษใบไม้กิ่งไม้หนามคือผ่านจุดนั้นแล้วหลังจากพบ สิาปีพอแล้วสั่งงไงครับจงอพยศจากมากก๊าไปที่มาดีแล้อพยพคืออะไรครับทิ้งทุกอย่างที่ตัวเองทิ้งบ้านช่องทิ้งทรัพย์สมบัติทิ้งเลือกสวยได้นาทิ้งพานะทิ้งทุกอย่างต้องเอาไปเท่าเท่าที่จําเป็นไม่อย่างนั้นถ้าขนไปเยอะโดนจับได้คือสาวาไปจนถึงว่าต้องทิ้งทุกอย่างเพื่ออะไรครับเพื่อคําว่าลาอีไลน์หรือเปลาเดียวเลย เพื่อคนนี้คนเดียวเพื่อที่ว่าจะได้เป็นบ่าวกับลอร์ะนะทิ้งทุกอย่างจนถ้าเมื่อเมื่อไปถึงมาดีนะปีที่สองในการอยู่มาดีนะพวกลอร์ก็สั่งไม่ต้องทําสงครามละกับบรรดาผู้ที่อาธรรมผู้ที่ชอบโกผู้ที่ว่าทําร้ายต่างๆกันนะท่านที่เสียชีวิตไปก็เสียชีวิตไปท่านที่เหลือก็อยู่กันก็มีชีวิตอยู่แบบมีสุดบ้างมีทุกบ้าแยกลำบาก แล้วก็ผ่านความลำบาก ต, าต่างๆนานาต่างๆภาษาละพัดพอไปเผยแพร่กลุ่มอาหรับหลายๆกลุ่มกลุ่มอาหรับเขาก็บอกว่าไงครับดูสิเมืองที่พวกเขาเหล่านี้อยู่ยังไม่ยอมรับพวกเขาแล้วเราจะเข้ารับพวกเขาตามพวกเขาไปทำไมจะรับ伊斯兰ทำไม <c ười> ก็คือเหมือนกับแบบว่าเรารู้ว่าเรามีความจริงเรามีสิ่งถูกต้องเรามีสิ่งที่ว่าอยากได้คนเขาได้รับดีแต่เขาปฏิเสธ ผ่านไปอีกเกือบสิบปีเวลา22ปีหรือ 21-22 ปียาวนานนะ 21-22 ปีแห่งความยากลำบากแล้วเมื่อพวกอวบประทานสู ร, รอนี่มาพวกเราว่าซาบจะรู้สึกยางไรเมื่อความช่วยเหลืออองลรามาถึงแล้วการพิชิตได้เกิดขึ้นแล้เพราะหลังจากที่ว่านุสลีมสามารถพิชิตนครมักกะได้ บรรดาชาวอาลัที่อยู่รอบๆนะครับที่เขาเคยบอกว่าขนาดกลุ่มเองยังโดนขับไล่ออกมาเลยไม่มีที่อยู่ต้องไปอยู่กับคนอื่นเพราะเขาเห็นว่าอิสลามสามารถมาอยู่ในจิดเริ่มต้นได้แล้วบรรดาเหล่านั้นเขาก็ศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วก็บอกว่าเ อ, อนี่คือศาสนาที่ทแท้แล้วอัลลอฮ์ให้ความช่วยเหลือพวกเขาเหล่านี้นี่คือศาสนาที่ถูกต้อง คนก็เลยเข้ารับอิสลามมาแบบเป็นกลุ่มเป็นเผ่าเป็นเผ่าเป็นเผ่าเป็นเผ่าเพราะฉะนั้นสุรานี้ในหัวใจของซาบะมันจึงมีความหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอ่านแล้วเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยแต่เรามาดูว่าสุรานี้เป็นบทสรุปความอุตสาหาความพยายามของท่านอับดุลเบี ม, มัล ม, ส ม, มัสลัมลองมาเลอิสลามกับปัญญาซาบะทั้งหมดที่ตั้งขมาจนกระทั่งมาถึงจุดนี้ที่ว่าได้รับความสม พี่น้องที่รัก่ครับหลจากที่ท่านนบอีอัลลมเสียชีวิตก็มีซาบาอาวุโสที่ว่าเดินทางไปแานหัวมือ่างซึ่งในยุคหลังๆนะครับหลังานนบีบอลัลลมเสียชีวิตไปแล้วหลังจากท่านมันเสียชีวิตไปแล้วซาบาท่านนี้ที่เดินการทางไปดูแดนไกอ่อิสลามแผ่กระจายไปไกลอย่างที่เรารู้ก็คือไปไกลสุดก็คือถึงชองแคบยิปริต้าไปไกลมากแต่ว่า เริ่มมีมุสลิมที่ว่าอ้านชื่ออิสลามแต่ว่าสร้างความเสื่อมเสียสร้างความแตกแยกเริ่มมีเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มพอเขากลับมาครับเขาคุยกับท่านชาบิทซึ่งเป็นซาบะอาวุโสบอกว่าเนี่ยฉันเป็นเนยอรมันเห็นมุสลิมเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่ว่าเริ่มที่แบบว่าเริ่มเคียนแล้วท่านชาบิทเมื่อได้ยินพุดบท่านร้องไห้ท่านาร้องไห้แล้วก็บอกว่าตอนที่ท่า น, นาอับดุลโมตีสอะลายซามได้รับวสุรานิมา ท่านอบีบอกว่ามนุษย์จะเข้ารับอิสลามเป็นกลุ่มๆแล้วเมื่อถึงเวลาเขาก็จะออกจากอิสลามไปอย่างาเป็นกลุ่มๆเช่นเดียวกันท่านจะมีเคยเสียใจว่ามันถึงเวลาที่ท่านอับีเสือมไปแล้วพี่น้องที่รักครับในเรื่องของความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ผมบอกกันว่าสามซูร่านี้เกี่ยวพันกันตอนแรกนี่คืออัลกาฟิรุน เที่เร า, าบอกว่าจุดยืนของมุสลิมเนี่ยเราจะได้อยู่ทันความช่วยเหลือหรือไม่ก็ตามจุดยืนของเราก็คืออิสลามและกุมดินกลุ่มวะเลียดินเพราะว่าซาบะไม่ใช่ทุกท่านที่เป็นมุสลิมแล้วอยู่ทันปีที่ได้รับการพิชิตเพราะนั่นสิ่ที่เราสอนให้เรารู้ก็คือสุรต่านกาบีนุญมาของจุดยืนของมุสลิมต่อให้ตลอดชีวิตของเราความสําเร็จยังไม่เกิดขึ้นในยุค ข, ของเรามันต้องเกิดขึ้นแน่นอน แต่หน้าที่ของเราก็คือมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เราต้องทำตัวให้เป็นป่าที่เอาร้อัดให้ไนดะ้ความช่เหลือมาแน่นอนแต่ว่าต้องรอให้ถึงเวลาไม่มีใครรู้10ปี50ปี100ปีพ0 0ปีหน้าที่เราคือทำให้ดีที่สุดและที่พอแล้วสารุปไว้ในสูรทส ร, ร, นะรที่สสุรร้ายการพิมพนะสุรรที่2อีาจารัสรลัตนะสุรร้อนที่สามเาร้นบอกไหครับ แต่ บ, บัญชีเด้อดีละครัิวะดับแล้วเมื่อถึงเวลาบรรดาคนที่ว่าเกลียดชังอิสลามตั้งตัวเป็นศัตรูจะทำร้ายจะอะไรก็ตามแต่เรารอไปเลยอยู่สเต็ปที่ 3. สามสเต็ปแรกเราต้องอดทนนะสเต็ปที่สองความช่วเหลืออองรจะบาลหรือสเต็ปที่สามอัลลอฮ์จะจัด ก, การเคลียร์บัญชีให้ เราจะจัดการเคียบบัญชีให้อย่างแน่นอนก็หมายความว่าเราไม่ต้องไปเรียกร้องหาความยุติธรรมร้อยอร์ซ็นนี้ลื์ยามันไม่มีอย่าไปคิดว่าในโลกนี้จะมีความยุติธรรมร้อยปแม้แต่กระทั่งกับพ่อเราก็ยังหาความยุติธรรมร้อยซไม่ได้กับแม่แล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมร้อยไม่ได้กับลูกก็เรียกร้องไม่ได้กับใครก็ตามในโลกนี้เราไม่มีทางเรียกร้องความยุติธรรมร้อยได้เพราะโลกนี้คือห้องสอบ ไม่ใช่แบบความว่าคนคําชั่วพวกเราจะได้เห็นเขาพบความหายเนีในยกเลิยไม่ใช่เพราะตรงนี้คือบททดสอบอเ ล, ล็กซ์ยังให้โอกาสพวกเขาได้กลับเนี้ยกลับตัวจนกว่าจะถึงระยะเวลาที่อเ ล, ล็กซ์สัญญาเอาไว้ก็คือเมื่อความตายมาถึงหรือเมื่อเกิดความสิ้นโลกอันแดนเมื่อถึงตอนนั้นแหละครับที่ว่าดับบัความหายนะจะเกิดแก่ใครก็ตามที่ว่าตั้งตนเป็นศัตรูกับอิสลาม หรือว่าอ้างชื่ออิสลามอ้างชื่อว่าเป็นมุสลิมแต่ทําตัวทําลายอิสลามอย่างเช่นมุนาฟี่คนกับกอบลุ่มชั่วร้ายขุ่มใดก็ตามที่ว่าไม่ได้ทําตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้กางความเสียหายบนหน้าแผ่นดินหรือว่าทำลายผู้บุญธรรมที่อัลลอฮ์บอกไงครับความหายหน้าเกิดขึ้นกับอบูุละฮับและภรรยาของเขาเดินผู้ซึ่งอบูุลละฮับกับภรรยา เป็นตัวแทนของคู่ที่อยู่ในจุดสูงสุดของโลกุณ ญ, ญายังไงครับอบูแล้วครับหล่อกเกิอที่สุดแล้วในเผ่าคือเป็นผู้ชายที่หล่อมากถ้าเป็นยุน่งๆคือเป็นดาราภรรยาก็สวยมากมก็เหมือนกับว่าดารากับดาราได้กันทั้งคู่รวยอับูแล้วครับรวยมากภรรยาก็รวยมากทั้งคู่ เป็นใหญ่เป็นโตมีเกียรติยศใครก็นับหน้าหันตาสามอย่างนี้คือสูงสุดที่คนบรุยกาต้องการอยู่นะครับรูปนักที่สวยงามไปอยู่ไหนใครก็กรีดไปอยู่ที่ไหนใครก็มองเคิ้มบางคนแค่เห็นเท้ายุคนี้นครับผมเพิ่งไปเจอมาผู้หญิงถ่ายคลิปวิดีโอลูกเท้านักร้องแล้วก็มากรีด พายาเปิดที่ผมดูเนีย่ยเนีพี่ดูดูคือไม่ได้เปิดเสียไม่ได้เปิดอะไรนะแต่เป็นเหมือนกับว่าคิดแต่ผมก็นักร้องนะี่ยจากนักร้องเพงแล้วถ่ายแค่เท้าอะ่ะแล้วกำลังเต้นอยู่แล้วกีบแบบน่ใจไม่เข้าใจพอใจครับมันเกิดอะไรขึ้นแต่ประเด็นก็คือว่าความสวยงามแบบเป็นพื้นฐานที่นุนยาใครก็ชอบใครใครหลอกไหมครับผมกับใครหลอกใครก็อยากสวยธรรมดารวยใครก็อยากรวย มีอำนาจใครก็อยากมีสามอย่างมีพรบสามอย่างสุดยอดแล้วแล้วก็ร้อยยกตัวอย่างให้ดูว่าคนที่อยู่ในสถานะสูงสุดของสังคมคนที่ใครๆก็หลงไหลคนที่ใครๆก็ปื้มคนที่ใครๆก็อยากเป็นเมื่อเขาตั้งตนเป็นศัตรูกับอลัลลอ์ในยุยาเขาอาจจะได้ในสิ่งที่เขาได้แต่เมื่อถึงเวลาอาครัตเขาจะอยู่ในกลุ่มของผู้ที่ ขาคุดมากที่สุดบนสือแผ่นดินนี้โดยที่ว่าลูกหลานช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยเพราะหลานเขาคือใครหลานเขาคือเจ้านาบีมูฮัมมัดสุลตานช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาเลือกที่จะตั้งตนไปสัตว์ปูกับออกมเพรานะฉะนั้นสามสุนทรี้ถ้าเกิดเราเอาไว้เตืนสติเวลาที่เราเจอสภาพที่เราเดือดร้อนเวลาที่เราอยากได้ความช่วยเหลือจริงจริงถ้าเราใช้ความเชื่อโปรให้แน่นอนให้ได้ทุกเรื่องแต่ว่า คำพูดที่เซนารีพูดไว้ที่มุสลิมเราต้องตอบย้ำกับเองอิมเนกุมกลวุนตัสตาชีรุนเจ้าเป็นกลุ่มชนที่ใจร้อนพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่ใจร้อนพวกเราใจร้อนกันทุกคนใจร้อนแล้วก็ปากไวอันตรายสองคุณลักษณะนี้อันตรายมากๆสําหรับมุสลิมทุกคนใจร้อนกับปากไวเพราะถ้าเกิดปากไวหมบยความว่าไงครับฟ้าบทคนไม่เหลือโดนพระการะทันตกดาทันที พอดาพ่าปุกสิ่งที่เดินก็เท่ากับทั้งไร้คุณค่าสําหรับควารัหรือพอมีใครทําไม่ดีอะไรกับเราปุกเราก็ไปด่าว่าเขาหรือบางทีไปนินหาเขาแทนที่เราจะได้ผลบุญจากเขาเรากลับยกผลบุญของเราให้กับเขาอย่างประเด็นที่ผมย้ําเป็นประจันนะครับโดยเฉพาะแม่บ้านที่ผมย้ําบ่อยย้ําบ่อยแล้วก็บ่อยมากๆเลยแม่บ้านในปัจจุบันอย่างที่พวกเราเรารู้ดีไม่ใช่แค่ในปัจจุบั น, นแต่แต่ไหนแล้ว เป็นเพศที่โดนกดขี่ข่มเหงมาตลอดโดนมาตลอดแต่ปัญหาของแม่บ้านที่น่าสงสารที่ผมสงสารมากๆก็คือว่าพอเราโดนกดขี่ข่มเหงจากจากใครผมไม่รู้ละแต่ถึงเวลาเราก็ไปด่าว่าเขาเราก็ไปนินทาเขาเอาเขาไปบ่นให้ลูกหลานฟังผลก็คือแทนที่เราจะเอาบุญจากเขามาอย่างเดียวแล้วก็ยกบุญของเราให้เขาด้วยดีไม่ดี เราต้องยกบุญเราให้เขามากกว่าที่เขายกให้กับเราดุญยากอดทอร์มานไปโลกนะ่าคิดว่าจะได้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้หญิงเป็นเพศที่อัลลอสร้างมาให้มีความอดทนมากกว่าผู้ชายผู้หญิงสามารถตั้งท้องได้สามารถทนกับการตั้งท้องได้ ผู้หญิงสามารถคลอดลูกได้ทนกับการคลอดลูกได้ผู้หญิงสามารถทนกับการให้ดมลูกเต็มๆนี่คือสองปีทนให้ได้ทั้งวันทั้งคืนมีความอดทนขนาดนี้สิ่งที่เอารัดทดสอบพอเอาก็จะทดสอบเรื่องง่ายๆว่าเรื่องหนักๆที่พวกเธอทนได้ทั้งหมดเนี่ยตรงนี้ทนได้ด้วยไหมถ้าทนตรงนี้ได้ด้วยทุกอย่างผ่าน เพราะปกติผู้หญิงเรื่องละมาถ้าให้ผมดูอิบาดนะอามันผู้หญิงจะเข้งคัดกว่าผู้ชายแม่บ้านจะเข้งคัดกว่าพ่อบ้านส่วนใหญ่ที่ผมดูคือดีทุกอย่างบททดสอบมนอย่างเดียวคับอาจาจะผ่านไม่ผ่านถ้าเกิดราตอบย้ำสุระอันนัสเนี่ยอนวาดะอัลนาาันสรุ่รจนฮิวเิการช่วยเหลือของ a l l แน่นอนแลการพิชิตมาแน่นอนจะตอนนี้หรือตอนไหนมันต้องมา แต่จะมาหรือไม่มาตอนที่เรามีชีวิตอยู่ขออย่างน้อยที่สุดเราจะาปิญญาไปในสภาพที่อมรรภัทรแล้วก็ตอบแทนเรามากที่สุดครับจากสรอ้อยแดงชาย ร, ารัสรักผมอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับจากที่ฟังสร้อยนี้ท่านใดมีอะไรอยากพูดอยากเสริมอยากเสนอแนะหรือว่ามีคำถามอะไรหรือเปล่าพี่สาวผมบอกว่าไม่ได้มีคำามครับแต่ว่าพูดความจริง <laughs> พูดความจริงเลครับพูดความจริง ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดความตายอาจจะยิ่งกว่าตายได้พี่ริวเอ็นซ well. ับสองอ้าวอันนี้มีการยัดคำพูดใส่ปากพี่สาวมีทางพูดเรื่อจริงเหรอครับเอ็ดวันนี้นะครับสุระเราคุยกันแบบสบายๆนะครับผมไม่ได้อธิบายอะไรมากจริงๆผมก็มีประเด็นที่จะคุยแล้วไม่ได้คุยใช่ไหม แต่ละอายะห์โทษคว่าจะคุยเรื่องแต่ละอายะห์ที่มาที่ไปว่าทาไมอะไรถึงใช้คาต่างๆอย่างที่ว่าไปอินช ah าอันลลอฮัลฟัเราใช้ทรงใช้คว่าเมื่อความช่วยเหลือของล อ, อได้มาถึงแล้วชาอาก็ไปามาถึงแล้ว ah เดชออัลลอฮัลฟั่ไายตอนแรกนะัว่าการช่วยเหลือของเราด้ตลอดชีวิตของเรานี้มากมายเราอาจจะรู้หรือเราอาจจะไม่รู้ผมขอย้ากับพี่น้องที่รักทุบท่านว่า การช่วยเหลือของเราแต่และวันมีมากเกินจินตนาการปัญหาของมุสซิ่งเรามอย่างเดียวไม่ใช่ปัญหาของมุสซิ่ปัญหาของคนทั้งโลกเราจะไม่เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือที่เราไม่รู้คือสมมุติสมมุติยกตัวอย่างได้ใฉยสมมติเรามีรถมอเตอรไซแล้วเบรกมันแตกจริงๆถ้าขับไปคือต้องพลิก ความเสียชีวิตแต่ถ้าเกิดว่ามีคนแอบมาซ่อมเบรคให้เราแล้วเราก็ขับไปเฉยๆเราไม่เกิดอุบัติเหตุเราจะขอบคุณเขาไหมครับขอบคุณเราไม่รู้ใช่ไเราไม่รู้คือผมกำลังบอกว่าการช่วยเหลือของล้อเนี่ยครับในพุทธาเนี่ยสุภานังล้อผู้ววทรงใช้คําว่าได้มาถึงแล้วเขามามาถึงแล้วในที่นี้ความช่วยเหลือที่มาถึงแล้วนี่คือรวมถึงอดีตทั้งหมดในที่เป็นความช่วยเหลือของล้อซึ่งมีมากมายมหาศาล การที่เราหายใจได้เนี่ยเราช่วยถูกไหมครับเราช่วยหลือให้เราหายใจได้เราลองที่ดูบางครั้งเราสำลักลมหายใจหรือบางครั้งที่เราไม่เคยไม่รู้มีใครเคยเห็นไหมบางคนบางท่านเวลาหลับอะครับอยู่ๆจะหยุดหายใจอยู่จหยุดหายใจแล้วก็อยู่กลับมาหายใจได้อะไรช่วยใช่ไหมอ่ะช่วยแต่ว่าเราเลยเคยรู้สึกถึงบุญคุณไหมเรายังไม่คิดไปถึงตรงนั้นการที่ว่าพงให้เม็ดเลือดไปทํางานอยู่เม็ดเลือดแดงทํางานตามที่มันทํา ให้เม็ดเลือดขาวสา ม, มารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างที่พวกเรารู้ก็คือมนุษย์เราอยู่ท่ามกลางเชื้อโรคมากมายมีทั้งเชื้อโรคที่ดีกับเชื้อโรคที่ไม่ดีแล้วตลอดเวลาร่างกายเราสู้กับเชื้อโรคไม่รู้เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ผมรู้แต่ว่ามากมายมหาศาลแปลว่าอัลลอฮฺให้ร่างกายเราสามารถสู้ชนะเชื้อโรคไม่รู้เท่าไหร่นี่คือการช่วเหลือที่อัลลอฮฺให้แล้วแต่เราไม่รู เราก็ไม่เห็นค่าเราก็ไม่ได้ขอบคุณกับอีกมากมายครับการกินอาหารอาหารที่เราเคี้ยวแล้วมันย่อยได้บางคนอาหไม่ย่อยนี่อยู่ได้ไหมครับอยู่ม่ได้นะทรมานบางคนไม่หายก็อยู่ไม่ได้บางคนท้องเสียก็อยู่ไม่ได้อันนี้ผมพูดแค่เรื่องบางส่วนเท่านั้นที่เอาล็อตช่วยเหลือเราตลอดเวลาที่ว่าเราไม่ได้ขอบคุณแท้และเนื่องจากการที่เราไม่เห็นคุณค่าในช่วงอายะสุดท้ายเอาล็อจึงบอกให้เราขอพยาธิวัตรด้วยน เกี่ยวพันกันเพราะบางท่านบอกว่าเมื่อเราให้ความช่วยเหลือทำไมต้องขออภัยโทษด้วยถูกไหมครับอญญายาแรกบอกไงครับเมื่อการช่วยเหลือขอเามาถึงและการพิชิตมาถึงเจ้าเชีนมนุษย์เข้ารับอิสลามศาสนาของเลา อ, อย่างเป็นกลุ่มๆจงเสรีจงเสรสนอง ล, ล้อแล้วก็จงขออภัยโทษ เขามุสลิมเราละเลยความเมตตายิ่งแจกของร้อนมากมายเพนะราะฉะนั้เราก็จึงสั่งให้มุสลิมเราต้องขอให้เราต่อร้อนมากมากแม้แต่ท่านอบีนัวสว์ลองมาเลยสล า, ายที่เอาละนับรองว่ายกโทษทุกอย่างท่านอบีก็บอกว่าฉันวันหนึ่งขอให้เราต่อร้อนไม่ต่ำกว่าเจสิบครั้งท่านอบีท่านคิดอะไรบ้างเราไม่รูแต่คนที่รักเอาละมากที่สุดเขารู้สึกเลยว่าเขาทําตัวยังไม่คู่ควรกับการช่วยเหลือของเลาะที่มีมากมาย ไม่คู่ควรกับความเมตตาขอร้อยที่มีมากมายในดุนยาแต่เราที่ไม่คู่ควรกับความเมตตาขอร้อยในดุนยาพระองค์สัญญาว่าลูกแน่จะให้สวรรค์ตลอดกาลกับพวกราทาั้งๆที่เราไม่คู่ควรกับมันเลยคือแค่ชีวิตในดุนยาตอนนี้เรายังไม่คู่ควรกับอะไรสักอย่างที่ Allah ให้เราต้องขอไปเพื่อต่อร้อยมากมา ก, มากเราต้องสวดอวยต่อร้อยมากมากเราต้องขอบคุณอ a า l a h ให้มากๆที่ว a า l a h ช่วยโดยที่ ไม่เคยได้มาล้ำเลิกอะไรเราเลยในกนหลายครั้งที่เราพูดล้อพูดถึงหลายเรื่องแต่มันไม่ใช่เรื่องของการล้ำเลิกแต่มันมเรื่องการเปลีนสติให้รู้ว่าเราช่วยมากแค่ไหนแล้วมนุษย์หลงลืมก็โแค่ไหนหลงลืมไม่พ อ, พอเพราะล้อเก่าไอ้ในสมัยที่เกิดไนเสาร์คุณจะก็หาดูว่ามนุษย์แต่ถูกสร้างไหมชอบกี่คนกี่ท่า คือคนเร า, าบางครั้งเราจะสังเกตนะครับคนบางคนอาจจะช่วยเราเป็นร้อยเรื่องเป็นพันเรื่องถ้าถึงเวลาเรื่องที่เขาเคยช่วยเป็นประจำเขาเกิดไม่ช่วยเราขึ้นมาเราจะรู้สึกไงครับเฮ้ยมั น, นมจุดแบบช่วยต้องช่วยแก่ก็เตื่นช่วยแล้วเห็นงเช่นนี้แบบช่วยกับกลายเป็นว่าคนที่ไม่ยอมช่วยกับอีกบางครั้งที่ตลอดชีวิตเขาช่วยม า, าลแสนรักแล้วแต่มันเรียกว่า อ, อะไรครับความเคยชินกับการเป็นผู้รับ คือคนเราทาตามธรรมชาติที่เกิดรับจาก ร, รับรับอะไรมากแถ้าไม่เคยที่จะเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ที่ให้เขาจะเคยชินกับการรับแล้วเขาจะไม่เห็นคุณค่าของคนที่ให้เขาแต่ถึงเวลาเขาก็จะไม่ให้คนเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่นา่ากลัวเานี้นครับเรามาดูสองอายะสุดท้าย2องเสุดท้าย ที่พวกเราศาสนาว่าฟาสัพปี้วิบีทำรี่เขาลาวดในร่อของการสะดุดีต่ออัลลอฮ์เราจะพบว่าในอิทธิบาทการละหมาดจะมีทั้งการขอบคุณอัลลอฮ์แลวก็สะดุดีต่ออัลลอฮ์ตอนรูกลัวเราก็มีการสรรรสรุนสะีอัลลอฮ์ใช่ไหมครับสุภาอัลลอฮ์สุมาอัลลอฮ์วิธีทำดีสุมาอัลลอฮ์วีมหรือว่ามีหลายบทในการสะดุดีต่ออัลลอฮ์ตอนสุยเราก็สะดุดีต่ออัลลอฮ์แปลว่าการสะุดี อยู่นำการขอดูอา่าพวกเรารู้ว่าช่วงขอดูอรดดีที่สุดช่วงไหนครับตอนสยุติแต่ตอนสยุติอิสลามสอนให้เราอาา่านว่าสุบฮานะลอยาลาลาขอสรลลิต่ออาลาัลลอฮ์ผู้ที่เป็นผู้ที่สูงสุดเป็นการสรลลิ่มแล้วค่อยขอ แปลว่ต้องเห็นคุณค่าพระองค์กรขอบคุณพระองค์กรเทิดทูนพระองค์ก่อ น, ออออนหลังจากนั้นถึงค่อยขอเพราะฉะนั้นการสนวีต่อรัฐจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอย่างที่เราดูครับสิ่งที่เต็มดาช่างที่ท่ายวิศรสลองอะไรสลัมบอกไว้หรือว่าอะไรก็ตามแต่การนำดึกเถื่อล้อแต่ละอย่างที่ท่ายวิศรสลัมพูดไว้จะเป็นเรื่องการนำดึกเถื่อหน่วยนำดึกเถื่อล้อให้มากๆหัวใจจะไม่ตายได้นำดึกเถื่อล้อมากมากแล้วเอาล้อจะให้มากกว่าที่เราขอ เพราะนั้นอุตลิมเราสิ่งที่เราควรทำมากที่สุดถ้าเราขอต่อร้อมากเท่าไหร่ก็ตามเราต้องสรุดีสรเส ร, ริขอบคุณละล้อมากกว่าที่เราขอเสมออันนี้คืออยากจะให้พวกเราทำให้ได้ให้ติดเป็ น, นิสัยเลยถ้าจเขาด้วยอาลาอลุลลาะขอบคุณละลอไปสรุดีต่อร้องไปซมาละล้อเวลาทำดีแล้วเวลาลาล้อเราบัดวลาเขาละวลาพูดแต่ละบิลละ สักพูล้วว่ตูวีไอะไรก็ตารแต่สรีตาร์มะอแล้วพอมีเรื่องที่อยากจะขอก็ถึงขอจะขอตอนสุยูดสวีตาร์รอก่อนจะขอตอนเยาว์เยืนเฉยจะยกมือด้วยว่าก็สวีตาล์รอขอบคุณตา้าร์รอนแล้วก็จบท้ายการขอด้วยกว่าการสวรวาให้กับท่านอบีมอสมวัดอิสลมนี่คือมารยาทการขอของทุตระคือไม่ใช่ถึเวลาปุ๊บเข้าไปเรียนก่อนเลยเอาล้อเฉเด็จร้อนช่อยเฉด้วย อันนี้คตรงไปนะครับเป็นคนตรงไปเลยทีนี้ครับผมบอกว่าส่วนแสุดท้ายครับหลังจากที่เรารับบอกให้ ส, สรลย์ดีบอกให้ขอบคุณต่อพระองค์สรลย์ดีก่อนแล้วก็ขอบคุณเพราะว่าเราจะขอบคุณไม่ได้ถ้าเรายังไม่รู้ถึงควา ม, ย, ามวยี่งใ่ของพราอหลังจากนั้นก็ให้ขออภัยโทษการขออภัยโทษพอเราบอกว่าถ้าเราทำเนี่ยเริ่มด้วยกับขั้นต่ําก็คืออีสิกแบขอเป็นตัว ในขณะที่พระ อ, องค์ถ้าจะรับพระองค์รับให้เต็มที่เลยคือตัว่าแบบอยากให้ต่งไม่ทันเนาะเมื่อกี้เราพูดในตอนแรกใช่ไหมครับว่าการขอไปโทษมีสองอย่างอิสติกฟาคคือการขอไปโทษที่เราเองก็ไม่แน่ใจว่าเราจะทุกมันได้ไหมพระองค์ได้ทรงกล่าวไว้ในสุรานี้พระองค์บอกว่าให้ขอไปโทษและพระ อ, องค์พร้อมที่จะ ให้อภัยแบบไม่เหลืออะไรติดใจเลยพยอมรับการกลับตัวหมายความว่าการให้ภัยต่อเราจะให้อภัยต่อเรามากกว่าที่เราขอโอเเหมือนกับเรื่องราวอ่ะครับที่ว่าชาติบิวส์ลองอะไรสักเล่มปกติเวลาท่านดำเนินชีวิตเน่ยท่านไม่เคยหัวเราะสูงสุดของท่านก็คือยิ้มเหมน็นแฟนมีครั้งหนึ่งที่ว่าท่านยิ้มอะครับที่ว่า ท่านเล่าให้ฟังถึงเรื่องของคนที่ว่าโลกหน้าเมื่อเขาถูกสอบสวนถั่วแล้วสอบสวนคนคนนั้นครับมีบาปมากมายมีบาปใหญ่มีบาปเล็กทําความผิดมาเยอะแยะเลยแล้วขอขอไปโ่ษต่อนะเมื่อถึงเวลาล้อบอกกับนารแก้วว่าไงนะครับท่านใดจำได้บ้างครับหรือเคยเล่าให้ฟังรอบหนึ่งถ้าท่านใดยังไม่เคยฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังรอบหนึ่ง พ่อรับโซนบอกกับมาลัยแกว่าเอาเฉพาะบาทเล็กไปให้เขาดูบาปเล็กที่เขาเคยทำทั้งหมดเอาไปให้เขาดูชายคนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมรับแต่โดยเด็สดสตีครับการงานถูกนำมาเสนอว่าวันนี้จะทำบาทอย่างนี้ใช่ไหมวันนี้จะทำบาปอย่างนี้ใช่ไหมจะทำทอย่างนี้ใช่ไหมจะทำทอย่างนี้นี้บอกละเอียดยิบคนนั้นก็เครียดสิครับ คือโดนสอบสวนด้วกับบาปเล็ก็เครียดแล้วก็เครียดเรื่องอะไรครับเมื่อไรบาปใหญ่จะโดนสอบสวนคือแค่บาปเล็กก็ไม่มีที่ไม่มีจุดยืนคือไม่มีหน้าจะเจอเรแล้วโดนเดนเดนเดนจนครบบาปเล็กทั้งหมดที่วแล้วบอกว่าไงครับบาปเล็กทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยแค่เปลี่ยนให้เป็นความดีหมดเลยเปลี่ยนให้เป็นความดีคือแทนที่จะติดล้กลายเป็นบวก ชายคนนั้นได้ยินที่บอกกันเล่า ว, ว่าไงครับเออล่าครับผมยังมีบาปใหญ่อยู่นะไม่เอามาสอบสวนด้วยผมพร้อมที่จะฟังแล้วเอามาเลยนี่คือความไม่ตากเหรอแล้วท่านละบีก็ท่านก็ยิ้มเห็นฟังก็คือท่านก็เอ็นดูก็คือคนคนนั้นเนะ่ยเคสเนละิศของคนที่อภัยขออภัยโทษต่อเล่าเป็นประจําต่อให้ยังไม่ได้เตาแะยังไม่ได้เตาแบ๊ดขอไภัยโทษต่เล่า ยังไม่ได้ตาบาแต่เอาละเลี่ยนบาเล็กทั้งหมดของเขาให้เป็นผ ล, ลบุญและบาบใหญ่ของเขาเอาละลบให้หมดเลยเอาไม่ตครับ่แต้คือเราดูแค่สองระยะี่เอ า, าอละสั่งให้เราว่าขออะไรโทษให้มากมากเอาลเป็นผู้ที่จะให้เป็นการกลับเนื้อกลับตัวรับการกลับเนื้ก tropical, อ ก, กลับตัวภาษาีอยูรครบ a t s e n the book t h ม่อดใดแกะเตาฟาร ถ้าอายะอื่นพรวกเราจะใช้คําว่าพวกเราจะถึงความฟ้ า, ฟารอกผู้ที่รับการขอแผ้ลวดแต่ในสุราณีพวกเราจเปลี่ยนไปใช้คําว่า พ, วพระองค์พร้อมที่จะให้มากกว่าการให้อภัยโทษคือเปลี่ยนจากความชั่วเป็นความดีอย่างครับมันไม่มีใครในโลกทำกันไม่นีครับเราทําผิดกับคุณแม่คุณพ่อหรือคุณแม่สูงสุดก็คือท่านยกโทไททันเมตตาถ้าบอกให้ไป็นไรเอาตามปี แต่ไม่มีใครที่จะเปลี่ยนความชั่วงเให้เป็นความดีไม่มีมีเพียงอัลลอฮ์ผู้ทรงผู้ทรงผู้ทรงไม่ตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มุสลิมเราต้องทบเป็นประจำคือาสามอย่างฝึกซับดีเสรีต่อล้อยให้มากๆเราจะสุขก็เวดีต่อรลอจะทุกก็เสดีต่อลออลอหลังจากนั้นก็ขอบคุณต่อรให้มากๆอัลฮัมดุลิลลา์ให้มากม า, มากมาตลอดชีวิตของผู้ศรัทธาเราต้องมีอลัลฮัมดุลิลลา์ให้มากมซุบฮิลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลา์และสังเกตวาตละมา ต้องมอีตลอดใช่ไหมครับสุดทายล้วอก่อนนะแล้วจะทํารีแล้ ว, วลหลังจากนั้นครับที่ต้องมีให้มากที่สุดอันดับที่สมก็คือขออภัยโทเพราะฉะนั้นสามอย่างนี้อย่าทิ้งนะครับเ ส, สดีต่อะะวะสารสือต่อพร ะ, ะ, ะองค์แล้วก็ขอไปโทษจากพระองค์แล้วเราจะได้ทุกอย่างเกินจินตนาการที่เราคจะได้ในดุญยาอัลลอฮฺทิสไสยแล้วก็อัครราชและก็ช ด, ด้วยอินชาอัลล โดยสำหรับวันนี้นะครับเราจะร่วับแค่นี้นะครับท้าเรัมีคำถามอย่านี้ครับคุจันท์คถ้าถ้ายังหมดจกเวลาหาดใช่ไหมครับเราถ้าเราจะกล่าวอ่นเพิ่เติมต่อได้ใช่มครัแล้วหลัเสร็จแล้วใช่ไหครับบ้านว่าอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วพอละหมาดเสร็จแล้วสิ่งที่มุสลิมต้องเริ่มเป็นลำแรกในการลำดับจัมร์ลอ่ทุกคนจะเริ่มเป็นแรกก็คืออัสสลูลอสเจ็ดค้ครับแล้วหลังจากนั้นในระหว่างชีวิตของเราเราจะทาอะไรก็ตาม ท่านบดลลามาเลย์สมบพวกท่านจขอไปเท่าต่อละให้มากมาเพราะวันหนึ่งฉันขอไม่ต่ำกวบาติสัญหมายความว่าตลอดวันของท่านฉันก็ขอไเท่าต่อละติดสัญ็คือซักกุรอฮ์ซักกลรอฮ์ซักกลรอฮ์ติัพาะฉ้ตอนไหนก็ได้ขอไปแต่ว่าย้าก็คือว่าการระลึกถึงอัลล์ไม่ต้องไปเน้นแต้มไม่ต้องไปเน้นสกอร์คือฉันต้องได้รอยฉันต้องได้ันฉันก็ได้หคือให้มันออกมาจากใจแล้วก็ไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่รอ้อไม่ลืม เราไม่จำเป็นต้องจัดเราก็อ่านไปเรื่อยๆแล้วก็หลังจากที่สุราษ์นี้ถูกประทานมครับซอบาบาท่านก็บอกว่าท่านอินรรมลเอสนม่วจอยู่ในียตไหนก็ตามท่านก็จะพูดว่าสุวรรอบ ม, มวฮัดีเป็นประจาสุวรบมวัดีสุวบมฮัดีสุอวยฮันีก็จเป็นกาซึ่งขอผมบอกว่าต้องใช้คําพูดว่าอะไรเนี่ยมุสิเราเชื่อ Allah อยู่แล้วท่านอบีวยนัสซัมเราก็เชื่ออยู่แล้ว อัลลอฮ์และศาสนาพุทธของพวงสันใช้ให้เราระมึกถึงอัลลอฮเป็นประชามะร์มบอกว่าต้องอย่าให้ลเราให้จากการรึกถึงอัลลอฮ์แล้วใครก็ตามที่หลงลืน ก, การระมึกถึงอัลลอฮ์ก Allah, ล่าวว่าองครับอัลลอฮ์ใช้ชีวิตของเขามีแตกความครับแค่เพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเกิดเราพบอุปสรรคในชีวิตเราพบทางตีนตันในชีวิตบางครั้งพระอลอเตือนสติเราให้เรารู้ว่าเราลืมรึกถึงพระองค์ เพราะถ้าพูดได้ ก, ก็ตามที่เรามึกถึงพวงมากๆพวเราบอกว่าไงนะครัิสูบุลหนึ่งาจะเป็นตาที่เขาใช้มองค่าจะเป็นหนูที่เขาใช้ฟังก็คืออยู่ในความหมายว่าพวกล้อจะคอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาขอให้นำมนุษ ก, กับล้อมีประจำครัเป็นสิ่งที่สิ้นคนะครับวันนี้จบช่ง น, น, น, นี้เราจเสร็จสิน้นไวนี้เดียอันดับแรกครับเราจะมาต่อในุอัลกาฟิรูนนะครับ มาดูว่าความไหนก่อนที่ว่าจะมาเจอการช่วยเหลือของพระเจาจุดยืนที่อัลลอ์ให้พวกเราทุกคนเลือกยืนเป็นอย่างไรบ้างแบบี้อย่างนั้นขอตัาววยเ ร, เราเป็นห น, นึ่งในุมชนที่ได้รับคํามอรอ่คงแล้วก็ได้ไป็นบัตตามันขอให้เราเป็นห น, นึ่งในกุมชนที่ว่าได้รลึกอัลล์ แล้วก็ถ้าว่าเราหลงลืมก็ขอเร้องช่วยเตือนให้เรามีสติให้เราคิดได้ขอเราเป็นผูมชนที่ว่าสิ่งใดที่เราไม่รู้ก็ขอเร้องให้เรารู้สิ่งใดที่เรายังทําไม่ได้ก็ขอร้องให้เรานั้สามารถทํามันได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่ทําให้โูริรัฐก็พอใจเราแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่เราทํามันที่ว่ามันเป็นิ่งที่ทํำให้เราไม่พอใจเราก็ขอเร้องยกโทษแล้วก็ละเมตตาเราแท้จริงแล้วเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเมตตาแล้วก็ผู้ที่รักบ่าโภยยิ่งกว่แม่ที่รักลูแล้วก็ขอสละด้วยกันท่านมีวัสดุ็ วงการคนแท้แลบอ كم و س ا المسلمين من كل د و ر و ن و ف ر ا السلام عليكم الله وبركاته